เรื่องพระนางอุตราเทรีพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปราบพระนางอุตราเทรีดังได้สดับมาพระเทรีมีอายุ120ปีเที่ยวบินธบาตไปได้บินธบาตแล้วเห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหว่างถนนเอื้อเฟื้อด้วยบินทบาตถวายทั้งหมดส่วนของตน ได้อดอาหารแล้วแม้ในวันที่สองที่สก็ถวายอาหารแก่ภิกษุนั่นแหละในที่นั้นเหมือนกันได้อดอาหารแล้วอย่างนั้นในวันที่สี่พระเทวีเที่ยวบินธบาทพบพระสัสดาในตรอกแห่งหนึ่งเมื่อถอยหลังได้เหยียบชายจีวรของตนจึงส่วนเซล้มลงพระสัสดาเสด็จไปใกล้แล้วตรัสว่า อัตภาพของเธอแก่งหอมแล้วการไม่ช้าก็จะแตกสลายไปดังนี้แล้วตรัสเป็นพระคาถาว่ารูปนี้แก่งหอมแล้วเป็นรังของโรคเปื่อยพังกายของตนเป็นของเน่าจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดในเวลาจบเทศนาพระเทรีบาลุโซดาปฏิพลแล้ว เทสนาได้เป็นกถามีประโยชน์แม้แก่มหาชนทั้งหลายดังนี้แหละเรื่องพระอาิมานิกะิกษิษุพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระภิกษุผู้มีความสำคัญว่าตนได้บรรลุพระอรหัตผลหลายรูปดังได้สดับมา ภิกษุห้าร้อยรูปเรียนกรรมฐานแล้วเข้าสู่ป่าภาคเพียรพยายามอยู่ยางชานให้เกิดขึ้นแล้วสำคัญว่ากิจบรรพชิตของเราสำเร็จแล้วเพราะกิเลสทั้งหลายไม่ฟุ้งขึ้นจึงกลับมาด้วยหวังว่าจะกราบทูลคุณที่ตนได้แล้วแด่พระศาสดาขณะที่ภิกษุทั้งหลายรออยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกเท่านั้น พระสาสดาทรงตรัสบอกพระอน์เทระว่าจงไปบอกภิกษุทั้งหลายให้เข้าไปในป่าช้าผีดิบเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาเฝ้าพระสาสดาดังนี้แล้วไปสู่ป่าช้าผีดิบแล้วเมื่อเห็นศพที่นั้นกลับเกิดโทสะคือความเกลียดชังในซากศพที่เขาทิ้งไว้หนึ่งวันบ้างสองวันบ้างยังราคะคือความกำหนัดให้เกิดขึ้นแล้วในสรีระอันสดคือเพิ่งตายใหม่ ขณะนั้นจึงได้รู้ว่าตนยังมีกิเลสพระสัสดาประทับนั่งในพระคันทกุดีนั่นเองส่งฉายพระราศมีไปดุดรัสอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นยังความยินดีด้วยอำนาจราคะให้เกิดขึ้นควรเล่าหรือดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่า กระดูกเหล่านี้ใดอันเขาทิ้งเกลื่อนกลาดดุดน้ำเต้าในศาสตร์การมีสีมนกพิราบความยินดีอะไรเล่าจักมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลตามที่ยืนอยู่นั่นเทียวชมเชยพระผู้มีพระภาคมาถวายบังคมแล้วดังนี้แหละ